เพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อเป็นการรักษาดูแลพัฒนาชีวิตจิตใจของ <c oughs> พวกเราของท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ <c oughs> เพราะใจของพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในโลกไม่มีอะไรจะมีความสำคัญเท่ากับใจของพวกเราเพราะใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรส่วนสิ่งอื่นๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่จีรังมีการเกิดแลวมีการดับไปเป็นธรรมดา แต่ใจของเรานี้ไม่ดับไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายใจของเรามีแต่เปลี่ยนไปจากสุขเป็นทุกข์จากดีเป็นชั่วเท่านั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกเราเองขึ้นอยู่กับการกระทําของใจถ้าใจทําดีใจก็จะมีความสุขมีความเจริญ ถ้าใจทำชั่วทำบาปใจก็จะมีความทุกข์มีความเสือ่อมไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในใจของพวกเราใจพบก็คือพบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพบของมนุษย์พบของเดรัจฉานพบของเปรตพบของนรกพบของสวรรค์พบของเทพของพรหม ทบทพบของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของแต่ละคนอยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นอย่างไรจะทำใจให้เป็นนรกก็ได้ทำใจให้เป็นสวรรค์ก็ได้ทำใจให้เป็นเปรตก็ได้ทำใจให้เป็นเทพก็ได้ทำใจให้เป็นพรหมให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้ อยู่ที่ใจทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่อื่นสิ่งอื่นนั้นไม่ได้เป็นสวรรค์ไม่ได้เป็นนรกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอรหันต์ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่ใจของท่านร่างกายของท่านกับร่างกายของเราเหมือนกัน มีอาการส2มสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันร่างกายของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอารหรันต์พระพุทธเจ้าหรือปุตุชนอย่างพวกเรานี้เป็นเหมือนกันหมดตามกันที่ใจเท่านั้น ใจของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ใจของพวกเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรอย่างวันนี้เรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลใจของเราก็จะเป็นเทพแต่จะเป็นเทพได้นานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําที่จะตามมาถ้าสามารถรักษาศีลได้ตลอด ไม่ไปทำผิดศีลเลยแล้วสามารถทำบุญให้ทางได้อยู่เรื่อยๆก็จะรักษาความเป็นเทพได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทางแต่รักษาศีลได้อย่างเดียวก็จะเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้เลยไปทำบาปทำกรรมใจก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตหรือไปเป็นนรก มันอยู่ที่การกระทาของเรานังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากรรมคือการกระทานั้นเป็นสิ่งที่จาแนกสัตว์โลกต่างๆให้เป็นไปต่างๆกันร่างกายนี้เป็นมนุษย์แต่ใจนี้อาจจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นนรกก็ได้ขึ้นอยู่ที่การกระทา ถ้าทำบาปแล้วใจก็รุ่มร้อนขึ้นมาก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาถ้ามีความโลภมากๆมีความหิวมากๆก็จะเป็นเปรตขึ้นมานี่อยู่ที่ใจของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ใดน่าใจของเรานี้สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ you, บางวันเราก็เป็นเทพ บางวันเราก็เป็นมารเป็นยักษ์ถ้าวันไหนมีอารมณ์ไม่ดีมีความโกรธครอบงำจิตใจก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีวันนั้นก็จะเป็นนรกเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตไปเป็นเดรัช้างไปวันไหนมีอารมณ์ดีวันนั้นก็จะคิดดีพูดดีทำดีวันนั้นก็เป็นมนุษย์ เป็นเทพเป็นพระงเป็นพระอริยบุคคลดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการดูแลใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเพราะสิ่งอื่นๆนั้นเราจะต้องพัดพากจากเขาไปสักวันหนึ่งเมื่อร่างกายนี้หมดสภาพไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ใจของเราก็ต้องออกจากร่างกายไป พอเราออกจากร่างกายเราก็เรียกใจว่าวิญญาณดวงวิญญาณเพราะอะไรเพราะใจหรือดวงวิญญาณนี้ไม่ตายนั่นเองเพียงแต่ว่ายันต้องไปรับบุญรับกรรมต่อไปถ้ายังไม่สามารถทำชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นพระอาหารหันต์ให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ยังจะมีเชื้อของภพชาติมีตัวที่จะผลัก ด, ดันให้ใจนั้นไปเกิดใหม่แล้วจะเกิดสูง<ม>เกิดต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมบาปบุญที่ได้ทำเอาไว้ทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนถ้าเป็นวาระของบาปที่จะส่งผล ใหก็จะต้องไปเกิดในอบายไปในไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างไปนรกบ้างขึ้นอยู่กับกําลังของบาปที่ได้ทาเอาไว้ถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองก็จะไปนรกถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้ ทั้งๆ ท, ที่พอมีพอกินแต่อยา่อยางยัอยากได้มากกว่านั้นก็จะเป็นเปรตถ้าทำด้วยความจําเป็นทาเพราะว่าต้องดูแลรักษาชีวิตก็จะไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่ทำบาปเลยตายไปก็ไม่ต้องไปเกิด น, นัยบายถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันที หลังจากที่ตายไปแล้วถ้าทำบุญให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยก็จะไปเกิดเป็นเทพก่อนไปรับบุญไปอยู่สวรรค์ไปเป็นสวรรค์สวรสวรค์นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจคือในขณะใดที่ใจของเรามีความสุขขณะนั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ แล้วก็ขณะใดาที่ใจมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนใจก็จะเป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสภาพหรือความรู้สึกของใจของพวกเราถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบเข้าฌานได้ใจก็จะเป็นพรหมถ้าเรามีปัญญามองเห็นใจรัก มองเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วสามารถที่จะปรงได้ยอมรับได้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะเป็นพระอริยชจ้าเป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ถ้าเห็นร่างกายนี้ไม่สวยในงามเป็นกองปฏิกูลมีสิ่งสกปรกขับถ่ายออกมามีอวัยวะที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหนังได้เห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีการมาราคะอยู่ภายในใจก็จะเป็นพระอนาคามีแล้วถ้า ตัดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่ภายในใจได้ก็จะเป็นพระอรหันต์นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเรากําลังปั้นอยู่ตลอดเวลากําลังปั้นด้วยบุญด้วยกรรมที่เราทํากันถ้าเราทําบุญเราก็จะปั้นให้ได้เป็นรูปร่างที่สวยงามมีความสุข เช่นเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราปั้นด้วยบาปกรรมเราก็จะปั้นให้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกทุกอย่างนี้อยู่ในกรรมมือของเราชีวิตของเรานี้ไม่ใช่พรหมลิขิตแต่เป็นกรร ม, มลิกิตกรรมก็คือการกระทำของเราเองการกระทาทางกายวาจาและทางใจ เป็นผู้ที่ปั้นให้ใจของเราเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การกระทาทางกายวาจาและทานใจการกระทาทั้งสามส่วนนี้ก็มีการกระทาทางใจที่เป็นตัวสำคัญที่สุด พใจเป็นนายกายและ ว, วาจาเป็นบาปกายกับวาจาจะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งการผู้สั่งการคือใจสั่งด้วยอะไรก็คือสั่งด้วยความคิดเช่นวันนี้ญาติโยมคิดจะมาทำบุญมาวัดก็สั่งให้ร่างกายมาแล้วก็สั่งให้วัด ให้วาจาพูดบอกชวนคนอื่นให้มามาวัดด้วยกันเมื่อถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางสั่งให้เอาข้าวของต่างๆมาวัดทั้งหมดนี้ใจเป็นผู้สั่งแล้วใจจะสั่งอย่างนี้ได้อย่างไรใจก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้อง เช่นเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำบาปแล้วจะต้องไปอบายทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ได้ไปสู่สุขติได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะมีความคิดอยากจะทำบุญแต่ถ้าเรามีความเห็นที่ผิดคือเห็นว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มี บาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วสูงเราก็จะไม่คิดทำบุญเราจะคิดทำบาป ก, กันเพราะอะไรเพราะใจของเรามีความโลภความอยากเป็นตัวคอยฉุดลากคอยผลักดันพอเราเกิดความโลภเกิดความอยากได้อะไรถ้าเราไม่เชื่อในบาปในบุญเราก็จะไม่สนใจว่า เราจะได้มาด้วยวิธีใดถ้าเราต้องทำบาปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะทำเพราะความอยากนี้เมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันเสียดแทงจิตใจมากเหมือนน้ำที่ยอกอยู่ในอกเราต้องพยายามทำตามความอยากเพื่อจะได้ให้น้ำที่ยอกอยู่ในอกนี้มันหายไปเราจึงกล้าทำบาปกัน คนที่เขาทาบาป ก, กันเพราะเขาคิดว่าทำไปแล้วไม่มีผลต่างมาเขาคิดว่าอย่างมากก็แค่ตายอย่างมากก็แค่ติดคุกแต่ตายไปแล้วก็จบคนรักษาศีลคนทำบุญตายไปแล้วก็จบเหมือนกันไม่ได้อะไรเท่ากันนี่คือความเห็นผิดเพราะเขาไม่เห็นใจของเขา เขาไม่รู้ว่าใจของเขานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาไม่รู้ว่าใจของเขานี่แหลจะกลายเป็นนรกกลายเป็นสวรรค์ไปแต่มีพระพุทธเจ้าผู้ที่มีสติปัญญามีบารมีสูงมากที่สามารถสอนใจที่สามารถปฏิบัติเปิดความมืดที่ครอบงานจิตใจให ทรงเห็นนาลกเห็นสวรรค์เห็นพบชาติเห็นการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายว่าอยู่ที่กรรมอยู่ที่ความคิดของใจเมื่อทรงเห็นอย่างนั้นก็ทรงคิดไปในทางที่ดีคิดทาบุญคิดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดที่จะกาจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญตามความเห็นที่ถูกต้องนี้จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็นําเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเรายังมีความเห็นผิดอยู่ยังคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะ ความคิดขึ้นมาใหม่ได้เราก็อาจจะเชื่อก็ได้ถ้าเราเชื่อก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราถ้าเรายังไม่เชื่อก็ยังถือว่าเรายังมีบาปหนักมีความมืดบอดมากแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่เชื่อก็ขอให้เราฟังต่อไปกลับมาฟังใหม่ฟังอยู่เรื่อย แล้วลองเอาไปดูเอาไปคิดดูดูว่าทำไมคนเราจึงมีความแตกต่างกันทำไมคนเราจึงมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันทำไมคนเรามีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันแล้วต่อไปเราก็จะเห็นเองว่ากรรมนี้มีจริงบุญนี้มีจริงบาปนี้มีจริง เพราะเราจะเห็นว่าคนที่ทำบุญนั้นจะไม่ค่อยมีความทุกข์มากเหมือนกับคนที่ทำบาปคนที่ทำบุญนี้จะมีความสุขมากกว่าคนทำบาปแต่เป็นสุขทางด้านจิตใจคือมีความสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกับคนที่ทำบาปคนทำบาปนี้จิตใจจะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นโมว มีความโลภโมโทสันมากมีความทุกข์มากเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะเศร้าโศกเสียใจมากแต่คนที่ทำบุญอยู่เป็นประจำนั้นจะมีความทุกข์น้อยจะมีความสุขมากขึ้นอยู่ว่าได้ทำบุญถึงระดับไหนถ้าทำบุญแต่เพียงให้ทานก็จะมีความสุขในระดับหนึ่ง ถ้าสามารถรักษาศีลได้ก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้ตรงได้ตรงว่าทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปใจก็จะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อย เวลาสูญเสียอะไรก็จะไม่เสียใจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาและอาจจะคิดว่าดีเสียอีกเพราะเวลามีอะไรแล้วมันเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยห่วงแล้วก็ต้องเสียดายเสียใจเวลาที่สูญเสียไปถ้าไม่มีก็กลับมีความสบายใจขึ้น ความหนักอกหนักใจก็เบาบางลงไปความเบาอกเบาใจก็มีเพิ่มมากขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยมก็สูญเสียเงินทองไปแต่เป็นการสูญเสียที่ทำให้ญาติโยมมีความเบาอกเบาใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะญาติโยมไม่เสียดายกับเงินทองที่เสียไปในวันนี้เพราะมีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าการเสียสละทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั้นจะทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงไปทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมาเพราะเราไม่ต้องกังวลกับเงินก้อนนี้แล้วเงินก้อนนี้ตอนที่เรายังมีอยู่บางทีเราก็ต้องต่อสู้กับกิเลส ข, ของเราเพราะกิเลสจะอยากให้เราไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเอาเงินนี้ไปเที่ยวดีไหมเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นซื้อรองเท้าใหม่สักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งดีไหมซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดหนึ่งซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือสักเครื่องซื้อโทรทัศน์รุ่นใหม่สักเครื่องจะดีไหมแต่ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง เราจะต้องรู้ว่าการใช้เงินเพื่อกิเลสนี้ไม่ได้เป็นการใช้เพื่อให้เกิดความสุขใจแต่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเพราะเป็นเหมือนการซื้อสิ่งซื้อยาเสพติดนั่นเองพวกเราทุกคนนี้มีเงินมีทองแต่ไม่กล้าซื้อยาเสพติดมาเสพเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเสพแล้วมันจะติด แต่เราไม่รู้ว่าซื้อเงินใช้เงินไปกับการเที่ยวก็เป็นเหมือนอยาเสพติดเหมือนกันเพราะเมื่อเราเที่ยวแล้วเราก็จะติดถ้าเราซื้อของเราก็จะติดถ้าเราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเทา้าโดยที่ไม่มีความจำเป็นเราก็จะติดเป็นนิสัยทุกครั้งที่เรามีเงินเราก็จะต้องไปซื้อของเหล่านี้และเวลาใดที่เราไม่มีเงินเราอยากจะซื้อของเหล่านี้ เราไม่ได้ซื้อเราก็จะมีความไม่สบายใจความรู้สึกว่าขาดอะไรไปเพราะเราติดนิสัยที่จะเที่ยวที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรง ส, สอนเชื่อว่าการเอาเงินมาซื้อของทำบุญนี้จะให้ใจของเรามีความสุดให้เรามีความอิ่มเอิบใจ เพราะเราสามารถเอาชนะกิเลสคือความโลภความอยากได้เมื่อกิเลสความโลภความอยากแพ้เรามันก็จะอ่อนกำลังลงไปเมื่อมันอ่อนกำลังลงไปมันก็จะไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ได้ความทุกข์ในใจของเราก็จะอ่อนลงไปจะน้อยลงไปความสุขที่เกิดจากการทําบุญก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไป จะมีความอิ่มมีความพอทำบุญเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้ทำบุญอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้จะรู้สึกว่าขาดอะไรจะต้องออกไปเที่ยวออกไปซื้อข้าวซื้อของถึงจะรู้สึกสบายแต่พอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมอยู่บ้านไม่ได้นานก็อยากจะออกไปอีก เพราะการซื้อของการใช้เงินเพื่อความโลภความอยากนี้ไม่ได้ทำให้ความโลภความอยากนี้น้อยลงไปแต่กลับจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นพอได้อะไรแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นวันนี้เราได้สิ่งนั้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเห็นโฆษณาหรือเห็นตามร้านค้าแทนที่ จะรู้สึกว่าพอแล้วมีอยู่แล้วกับจะอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนี่คือนิสัยของความโลภของความอยากได้คืบก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วา <c oughs> พวกเราจึงอยากกันอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้จักจบจากสิน้นมีพอมีพอกินกันทุกคนแต่กลับไม่มีความสุขกันเพราะความโลภความอยากมันยังคอย ผักดันใจของเราให้แสวงหาให้มีความรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอแต่ถ้าเราทำบุญกันไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความอยากมากความอยากจะน้อยลงไปเรื่อยๆทั้งๆที่เราไม่มีข้าวมีของมากมายแต่เรามีพอมีพอกินเรากลับมีความสุขมากกว่าคนที่มีมากมาย มีข้าวของเต็มบ้างแต่ใจอยู่ไม่เป็นสุขคนที่อยู่แบบสมถะเรียบง่ายมีมีสิ่งที่จำเป็นพออยู่พอกินกับมีความสุขมากกว่าเพราะใจได้รับการเลี้ยงดูใจได้รับอาหารก็คือการให้ทานนี้เองการทำบุญให้ทานทำให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความสุข เกิดความพอนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างการใช้เงินก้อนหนึ่งว่าเกิดคุณหรือเกิดโทษกับใจของเราอย่างไรถ้าใช้ไปทางกิเลสตัณหาใช้ไปเสื้ อ, ซ, อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีความทุกข์มีความหิวความอยากตามมาไม่รู้จักจบจากสิ้น ถ้าใช้เงินไปในการทำบุญก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอใจที่มีความอิ่มความพอนี้จะรักษาศีลได้ง่ายเพราะจะไม่มีความอยากที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะได้ความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างั น, นิย่าโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารข้าวของต่างๆมาถวายพระ ก็ทำให้พระได้รับความสุขญาติโยมก็เกิดความสุขตามมาจากการที่ได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือผลของกรรมเป็นอย่างนี้ให้สุขแก่ผู้อื่นสุขนั่นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกแก่ผู้อื่นทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไม่ได้ให้ความสุขไม่มีความอิ่มใจใจของเราก็จะเกิดความโลภความอยาก เราก็จะไปทำบาปไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเช่นเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถซื้อมาได้ด้วยเงินทองของเราเราก็ต้องไปลักทรัพย์เพื่อที่จะได้ไปซื้อของมาตามที่เราอยากได้เราก็ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเมื่อเราไปทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรา พอาเราเกิดความหวาดกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษต่อไปนี่พอเกิดจากการกระทาของเราเองเราเลือกได้เราจะทำบาปหรือไม่ทำบาปอยู่ที่ว่าเรามีความเห็นมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเรามีเห็น <c oughs> ว่าการทำบาปนี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เราก็จะไม่กล้าทำบาปถ้าเราเห็นว่าการทำบุญเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษหรือเป็นคุณอย่างเดียวไม่มีโทษเลยเราก็อยากจะทำบุญเราจะก็จะคิดแต่ทำบุญอยู่เรื่อยๆนี่คือความคิดของเรานี้เป็นตัวนำทางเราจึงต้องคอยควบคุมดูแลความคิดของเราสิ่งหนึ่งก็ทำได้ก็คือให้มีสัมมาทิฏฐิ อให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงสุขเกิดจากการทำบุญทุกเกิดจากการทำบาปการจะเกิดสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบได้ก็คือการได้เข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ให้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ของพระอาหารหันตสาวกอย่างที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันเป็นประจำมาฟังเทศฟังธรรมพรอมเป็นมงคลแก่ชีวิตดังในมงคลละสูตรที่ได้แสดงไว้ว่ากาเลนะธ ร, รมมะสวนงังเอตัมมังกาลมุตตะมังกา ร, าการทาการได้ยินได้ฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิต มงคลก็คือประโยชน์สุขนี้เองฟังแล้วจะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเท่าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นไปเรื่อย ยิ่งฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเมื่อเห็นภาพที่ชัดเจนก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแล้วในขณะที่ฟังก็จะขจัดความลังเลสงสัยได้ถ้าเรายังสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อยู่ ถ้าเราฟังวันนี้แล้วเราก็จะหายสงสัยเพราะเราจะคิดว่านารกนี้เป็นสถานที่สวรรค์เป็นสถานที่แต่ความจริงานารกหรือสวรรค์นี้มันอยู่ในใจของเราเองนรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังกันมันอยู่ในใจของเราเวลาใจของเรารุ่มร้อนโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นต่างๆตอนนั้นใจของเราเป็นานารก เวลาใดที่ใจเราให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองหรือเราให้ความช่วยเหลือให้ความสุขแก่ผู้รุ่นตอนนั้นใจของเราก็จะเป็นสวรรค์เป็นเทพเป็นพรเราก็จะหายสงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่มีจริงสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงแล้วถ้าเราฟังไปเรื่อยๆแล้วนำเอาอไปปฏิบัติต่อไปเราก็จะเห็นมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าตราบใดยังมีความอยากมีความโลภอยู่ความอยากความโลภนี่แหละจะเป็นตัวฉุดากใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเรากาจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจได้เราก็จะรู้ว่าใจนี้ไม่ไปเกิดอีกแล้ว เพราะไม่มีความอยากจะไปไหนไม่มีความโลภที่อยากจะได้อะไรนั่นเองเหมือนกับญาติโยมถ้าวันใดอยู่บ้านแล้ววันนั้นไม่มีความอยากจะออกไปข้างนอกญาติโยมก็จะไม่ไปข้างนอกไปทำไมให้เหนื่อยเปล่าอยู่บ้านแสงจะสบายไม่ต้องอาบ น, น้ำแต่งตัวทาหน้าทาปากขับรถขับลาออกไปเสี่ยงภัยบนท้องถนนออกไปติดรถตามสถานที่ต่าง ไปเหนื่อยไปลำบากอยู่บ้านอยากจะนอนก็ได้นอนอยากจะเข้าห้องน้ำก็ได้เข้าห้องน้ำอยากจะกินอยากจะรับประทานก็ทำได้อย่างสบายแต่ที่อยู่บ้านไม่ได้ก็เพราะมีความอยากนั่นเองพอมีความอยากแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวขึ้นม า, ท, าทันทีสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากอะไรมันเกิดจากความอยากเกิดจากความโลภ ถ้าเราสามารถทำจิตให้สงบได้เราจะอยู่ติดบ้านเพราะจะไม่มีอะไรมาหลอกให้เราออกไปนอกบ้านนอกจากเวลาที่เรามีความจาเป็นจริง ๆ, งๆเช่นต้องไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารหรือไปทำธุระที่จาเป็นเท่านั้นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความอยากมันเป็นความจาเป็นแต่ถ้าเรามีทุกสิ่งพร้อเพียงอยู่ในบ้านแล้วแล้วยังไม่มีความสุขกับการอยู่บ้าน ยังอยากออกไปข้างนอกก็แสดงว่าเราถูกอำนาจของกิเลสตัณหาฉุดลากเราไปใจของเราจึงต้องพยายามตัดให้ได้ความโลภต่างๆความอยากต่างๆถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดอีกถ้าเราไม่อยากจะไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกเราต้องตัดให้ได้ความอยากต่างๆการมากตัณหาความอยากในการเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้เป็นตัวที่จะฉุดลากให้ใจของเราไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านตัดความอยากทั้งสานี้ได้แล้วท่านไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะท่านไม่ได้อยากมีอยากเป็นและท่านไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นคือถ้าท่านต้องแก่ท่านก็ไม่กลัว ถ้าต้องเจ็บก็ไม่กลัวถ้าต้องตายก็ไม่กลัวแต่พวกเรานี้ยังมีความอยากเรานี้อยู่ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายยังอยากไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยู่ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ยังอยากร่ำอยากรวยอยากมีตำแหน่งสูงๆนี่คือตัวที่จะพาให้พวกเรา วนเวียนไหวาตายเกิดในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่อยากที่จะไปเวียนไหวาตายเกิดเราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อกําจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาเท่านั้นเราถึงจะสามารถ ตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่ยังตัดไม่ได้หมดในขณะที่เราปฏิบัติเราก็จะทําให้ความทุกในใจของเราน้อยลงไปทําให้ความสุขในใจของเรามีมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการดาเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกันในวันนี้จึงมีแต่กาไรอย่างเดียวมีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีการ จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมัน่นมีความแน่วแน่ต่อแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติแล้วท่านจะได้พบกับความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแช่เวลาจึงขอยืดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย